Oh. งานกระถินปีนี้ที่วัดป่าสุกโตมีญาติโยมสาธุชนมาร่วมกันบำเพ็ญบุญมากมายกว่าปีที่แล้วหรือที่จริงมากกว่า2ปีที่แล้วอันนี้เพราะว่าสาเหตุสำคัญก็คือโรคโควิดนะซึ่งแพร่ระบาดมาเป็นเวลา2ปีครึ่งก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วก็มีแนวโน้มว่าโรคระบาดนั้นจะกลายเป็นอดีตไป คือกลายเป็นแค่โรคติดต่อไม่ต่างจากโรคหวัดอันนี้ก็ถือว่าเปรียบเสมือนฟ้าที่เคยปิดนะตอนนี้ก็เริ่มเปิดละเมฆหมอกที่เคยปกคลุมนะบ้านเมืองมาเป็นเวลา2ปีกว่าที่จริงปกคลุมทั้งโลกเลยนะแล้วก็เริ่มจะคลี่คลายลงต่อไปล้วก็คงจะสามารถใช้ชีวิต าตามปกติได้หรืออย่างน้อยก็แตกต่างจากเมื่อสองปีที่ผ่านมาทุกคนก็ย่อมรับรู้ดีนะว่าช่วงที่โควิดแพร่ระบาดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่พวกเราประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการ ทั้งในเรื่องชีวิตในเรื่องการทำงานเพราะฉะนั้นการที่โรคโควิดเนี่ยจะคลี่คลายหายไปจากการไปโรคระบาดกายไปโรคติดต่อมันก็ถือว่าเป็นนิมิต ด, ดีเดวแล้วก็ตามในเมื่อเราได้ประสบกับความทุกข์มากมายหลายประการในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้ เหตุการณ์นั้นกลายเป็นอดีตไปจะพูดอย่างภาษาของหลวงพ่อคำเขียนก็คือว่าในเมื่อทุกแล้วก็อย่าทุกฟรีๆนะก็ต้องรู้จักถ้าหาประโยชน์จากมันบ้างนั่นคือมาทบทวนว่าการแพร่ระบาดของโควิดในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมามันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างถ้าเราไม่รู้จัก ทบทวนหาบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เท่ากับว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันไร้ประโยชน์มีแต่ความทุกข์ล้วนๆนะแต่ไม่เกิดประโยชน์พ่อผลใดๆตามมาเลยซึ่งไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะชาวพุทธเนี่ยเราต้องรู้จับหาประโยชน์แม้กระทั่งจากความทุกข์หรือจากเหตุการณ์รายที่เกิดขึ้น โควิดได้สอนอะไรกับเราบ้างในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาประการแรกก็คือมันได้บอกเราว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการปิดน่านฟ้างดการเดินทางออกนอกประเทศงดการสัญจรด้วยเครื่องบินหรือว่าล็อกดาวน์ทั้งประเทศ อันนี้คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้หลายคนก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตนี้แต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ได้ยืนยันว่าอะไรๆก็ไม่แน่นอนทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้เสมอแม้ว่ามันจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนประการต่อมาคือโควิดเนี่ยได้สอนเราว่าสิ่งสำคัญในชีวิตที่เรามักจะมองข้ามไป แต่มันได้แสดงตัวอย่างชัดเจนในช่วงโควิดก็คือความสุขที่เกิดจากการที่ได้ติดต่อสัมพันธ์กันการที่เราได้มีโอกาสพบปะ ก, กันได้ไปหาพ่อแม่ญาติพี่น้องพบปะเพื่อนฝูงมันเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราที่ทำให้เรามีความสุขเราไม่เคยตระหนัก ตรงนี้เลยนะจนกระทั่งเมื่อมีการล็อกดาวน์งดการสัญจรในช่วงโควิดผู้คนจำนวนมากนี้ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านและเราก็พบว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากแม้ว่าเราจะมีกินเรียกว่ากินอิ่มนอนอุน่นแม้เราจะมีโทรทัศน์แม้เราจะมีหนังดูมีเพลงฟัง แต่เราก็รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปบางอย่างนั่นคือการที่ได้ไปพบปะกันได้ไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่สังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือแม้แต่กระทั่งการทำงานด้วยกันเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าสิ่งนี้สำคัญจนกระทั่งโควิดนะได้มาสอนเราเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่คนเราได้มีโอกาสติดต่อสัมพันธ์กันมันจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่เราไม่ควรจะมองข้ามโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเช่นพ่อแม่พี่น้องลูกหลานแต่ขณะเดียวกันการที่เราจะไม่มีโอกาสจะติดต่อสัมพันธ์มันก็เกิดขึ้นได้ง่ายเหลือเกินหรือยิ่งคนนั้นคนที่เรารัก ก็อาจจะจากไปโดยที่เราไม่มีโอกาสได้ล่าลาเลยหลายคนได้สูญเสียคนรักซึ่งติดโควิดแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ดูใจแม้กระทั่งในเวลาสุดท้ายแม้กระทั่งการทำพิธีศพนะก็ไม่อาจจะร่วมบาเพ็ญกุศลให้กับเขาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสับหลายคนเนี่ย มันเป็นความทุกข์มากเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทำดีกับคนที่ตัวเองรักในยามที่เขาใกล้จะจากไปอันนี้มันก็สอนเรานะว่าคนเราเนี่ยหากว่ายังมีคนรักอยู่ใกล้ตัวหรือว่าหากว่าเขายังมีชีวิตอยู่เราควรจะทำดีกับเขา อย่างสม่ำเสมอเป็นนิดทำดีกัเขาทุกวันพูดดีทำดีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเพราะเราไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสทำอย่างนั้นอีกหรือเปล่าในค่ำคืนนี้หรือแม้แต่พรุ่งนี้ถ้าเรารู้จักทำดีกับคนที่เรารักทุกวันทุกโอกาส ว่าเขาจะจากเราไปอาจจะไม่ใช่ถึงกับจากไปทันทีแต่ว่าถูกแยกตัวไปอยู่โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายก็จากไปหลังจากนั้นเราก็จะเสียใจน้อยลงเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้ทำดีที่สุดกับคนที่เรารักอยู่ทุกวนันทุกโอกาสแม้กระทั่งในวันสุดท้ายที่เราได้พบกันอย่าละเลยโอกาสนี้ ในขณที่โอกาสนี้ยังมีอยู่กับเรายิ่งกว่านั้นเนี่ยโควิดนี่ยังสอนเราว่าในยามที่เราไม่สามารถจะเดินทางไปไหนได้ในยามที่เราต้องเก็บตัวที่บ้านหรือแม้แต่ในยามที่เราต้องเก็บตัวเพราะว่าติดเชื้อ รวมไปถึงขณะที่เราต้องไปทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ลำพังโดยที่แม้แต่หมอและพยาบาลก็ไม่สามารถที่จะมาสัมผัสตัวเราได้เพราะเราเป็นผู้ติดเชื้อมันได้บอกให้เราตระหนักว่าการที่เราสามารถอยู่กับตัวเองได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมาก หลายคนแม่จะไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยกินอิ่มนอนอุน่นอยู่บ้านดูหนังฟังเพลงทั้งวันแต่ก็รู้สึกเหงาว้าเวรู้สึกกระสับกระส่ายเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเรื่องๆเนียเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ตามลำพังคนเราบางครั้งเนี่ยก็จะต้องอยู่กับตัวเอง แต่ว่าถ้าเราอยู่กับตัวเองไม่เป็นเราก็จะมีความทุกข์มีความทรมานมีความกระสับกระส่ายเหมือนกันที่หลายคนได้ประสบนะในช่วงล็อกดาวน์มันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานจิตใจแม้ว่ากายไม่ป่วยแต่ว่าจิตใจมีความทุกข์มีความเงามีความเครียดเป็นเพราะ ต้องอยู่คนเดียวจริงๆบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวแท้ๆอาจจะมีคนร่วมบ้านแต่ว่าบ่อยครั้งก็ต้องเก็บตัวมาอยู่คนเดียวโดยเฉพาะเมื่อติดเชื้อทำไมคนเราจึงมีความทุกข์เมื่ออยู่คนเดียวตามลำพังในเมื่อเราก็บอกว่าเรารักตัวเองรักตัวเอง แต่ทำไมเราจึงอยู่กับตัวเองไม่ได้คนเราเนี่ยถ้ารักสิ่งใดเราก็อยากจะอยู่กับสิ่งนั้นใกล้ๆยิย่งได้อยู่สิ่งนั้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขบางคนรักรถก็มีความสุขที่ได้อยู่กับรถบางคนรักพักเครื่องก็มีความสุขที่ได้ดูพักเครื่องทั้งวันแต่ทำไมผู้คนเป็นนั้นมากเนี่ยเมื่อรักตัวเองแล้วทาไมจึงอยู่กับตัวเองไม่ได้ แต่ก่อนเนี่ยเราจะไม่ตระหนักเพราะว่าเราสามารถจะหนีตัวเองไปหาเพื่อนหนีตัวเองไปห้างหรือว่าไปต่างประเทศบางคนก็หนีตัวเองนะไปอยู่กับงานกับการแต่ว่าพอโควิดระบาดหลายคนเพราะว่าไม่สามารถจะหนีไปอยู่กสิ่งอื่นได้จำต้องมาอยู่กับตัวเอง แต่เมื่ออยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยก็มีความทุกข์ทรมารเหลือเกินอาการกระสับกระสายดินน้นรนมันเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการอยู่กับตัวเองไม่เป็นแต่คนเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับตัวเองจนได้จะนานแค่ไหนก็แล้วแต่ทำไมเราจึงไม่สามารถทนอยู่กับตัวเองได้ ก็เป็นเพราะว่าคนจำวไม่น้อยเนี่ยเมื่ออยู่นิ่งๆ น, นะไม่ได้พูดคุยกับใครไม่ได้ไปเที่ยวห้างไม่ได้ดูหนังฟังเพลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความคิดในหัวมันรบกวนมันมีความคิดสารพัดที่ทำให้เครียดทำให้กระสับกระส่าย และส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดเกี่ยวกับอดีต ท, ที่เจ็บปวดอาจจะเป็นเพราะถูกโกงถูกต่อว่าด่าทอหรือเพราะสูญเสียคนรักของรักบางทีมันความคิดมันก็พาเราไปปรุงแต่งเกี่ยวกับภาพอนาคตที่ทำให้เราเครียดทำให้เราวิตกกังวลหลายคนเนี่ย ทนอยู่กับตัวไม่ได้เพราะความคิดมันเล่นงานความคิดมันทำให้ไม่สามารถจะอยู่สุขได้แต่ก่อนคนเราก็หาทางหลีกหนีสภาพนี้ด้วยการไปเที่ยวโดวยการไปพูดคุยกับเพื่อนไปสังสรรค์แต่พอทำเช่นนั้นไม่ได้ในช่วงโควิดมันจึงทุกข์ทรมานมาก นอกจากนั้นเนี่ยหลายคนยังพบว่าพออยู่คนเดียวแล้วเนี่ยมันหอยหาสิ่งเราคนเราเนี่ยหารู้ไหมว่าเราเสพติดสิ่งเราโดยไม่รู้ตัวสิ่งเราทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่ก่อนพอมีสิ่งเราแล้วก็ยิงไปหาสิ่งเรานั้นไปเสพสิ่งที่เราใจที่อยู่นอกตัวอยู่นอกบ้าน อยู่ตามห้างแต่พอช่วงโควิดทาเช่นนั้นไม่ได้ไม่สามารถที่จะสนองความปรารถนาที่จะเสพสิ่งเราจึงมีความทุกข์เพราะว่าสิ่งเราเนี่ยมันเป็นที่มาของความสุขสำหรับคนจนํานวนมาก ท, า ท, าทั้งๆที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถจะดูหนังฟังเพลงได้ทั้งวันแต่ว่าพอเสพไปนานๆ มันก็เบื่อดูหนังไปทั้งวันก็รู้สึกเบื่อขึ้นมาต้องการสิ่งเล่าแปลกใหม่แต่ก็ทำไม่ได้อ น, นี้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะว่าผู้คนจานวนมากเนี่ยความสุขของเขาเนี่ยคือสิ่งนอกตัวจะมีความสุขได้ก็ต้องอาศัยสิ่งเร่าภายนอกถ้าไม่สามารถไปหาสิ่งเรามาเสพก็จะหงอยเหงา จิตใจก็จะแห้งผากเหมือนกับขาดอะไรไปบางอย่างนั่นคือขาดความสุขจริงความสุขนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาศัยสิ่งเรา้ามาปนเปือก็ได้เราสามารถจะเข้าถึงความสุขจากภายในใจของเราแต่เป็นพ่อเราไม่สามารถจะสัมผัสความสุขภายในได้และการที่ผู้คนเนี่ยดัยงที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า เมื่ออยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆก็จะถูกความคิดรบกวนถูกอารมณ์ต่างๆมาขับเคลื่อนให้ต้องอยู่เฉยไม่ได้แต่จ อ, อกไปไหนได้ละ่ะในเมื่อต้องเก็บตัวหรือในเมื่อทั้งประเทศทั้งบ้านทั้งเมืองล็อกดาวน์ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าผู้คนเนี่ยถูกคร่อบงำด้วยความหลง พอหลงเมื่อไหร่นะคือไม่รู้ตัวมันก็คิดโน่นคิดนี่สารพัดคุมความคิดไม่ได้ก็เลยเกิดความกระสรับกระส่ายทุรนทุรายขึ้นมาความคิดที่มันอยู่ในหัวของเรามันกลายเป็นสิ่งที่มาบีบคั้นหรือว่าทิ่มแทงจิตใจให้ทุก์ผู้คนเนี่ยวิธีการในการที่จะดับความคิด ไม่ให้ฟุง้งซ่านไม่ให้รบกวนส่วนใหญ่ก็อาศัยสิ่งเสพภายนอกนะโทรศัพท์มือถือการสังสงรรค์กับเพื่อนฝูงการทำโน่นทำนี่มันจะได้ไม่มีความคิดมารบกวนจิตใจแต่พอไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ในช่วงโควิดก็จึงประสบความทุกข์ทรมาจากความคิดอันนี้ถ้ากล่าวโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นเพราะความหลง หลงก็ไปในความคิดแล้วก็ถูกความคิดทิมแทงแล้วก็หลงก็ไปในอารมณ์ถูกอารมณ์เช่นความเครียดความโกรธความเศร้ามันเผาล้นจิตใจตราบใดที่เราไม่สามารถที่จะจัดการกับความหลงที่มารบกวนจิตใจได้เนี่ยมันก็ยากที่เราจะอยู่คนเดียวให้เป็นหรืออยู่คนเดียวยังมีความสุขได้ อะไรเล่านะที่จะทำให้ความหลงเนี่ยมันไม่สามารถคลองใจเราได้เรามีสิ่งนั้นอยู่ในใจของเราอยู่แล้วนั่นคือความรู้สึกตัวคนเราเนี่ยถ้าว่ามีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่ความหลงมันก็จะละลายหายไปเหมือนกับความมืดนะที่มันเลือนหายไปเมื่อโดนแสงสว่างสัดส่องถ้าคนเรามีความรู้สึกตัว ความหลงก็ครองใจไม่ได้เมื่อความหลงครองใจไม่ได้ความคิดฟุ้งซ่านสารพัด ท, ที่ประดังประเดยเข้ามาที่สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจทําให้โศกทําให้เศร้าทําให้เครียดทําให้กระสรับกระส่ายทุรนทุรายเนี่ยมันก็จะคลี่คลายหายไปถ้าคนเราดูความรู้สึกตัวได้มันก็ไม่ยากเลยที่เราจะอยู่กับตัวเองได้ และถ้าเราอยู่กับตัวเองได้เราก็จะพูดได้เต็มปากว่าเรารักตัวเองแต่ทุกวันนี้ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเราไม่ได้รักตัวเองจริงเราไม่เป็นมิตรกับตัวเองเพราะเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้คนเราจะมีความสุขได้ง่ายขึ้นถ้าว่าเรารู้จักเป็นมิตรกับตัวเองหรือรักตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งจะทำเช่นนั้นได้เนี่ย ก็ต้องรู้จักสร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นในใจมีความรู้สึกตัวเมื่อไหร่จิตใจก็โปร่งเบาสว่างสวัยสดชื่นเบิกบานและสามารถจะพบกับความสงบได้ทั้งหมดที่พูดมานี่คือความสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ในใจของเราหากว่าเราไม่สามารถจะมีความรู้สึกตัวได้ความหลงก็จะครอบงาใจ แล้วเราก็จะต้องดิ้นรนนะที่จะหาอะไรมาระ ง, งับดับความทุกข์ที่เกิดจากความหลงซึ่งล้วนแต่เป็นการเพิ่มความหลงและความทุกข์ให้มากขึ้นสุดท้ายก็เลยมีชะตากรรมไม่ต่างจากคนหนีเงาคนหนีเงาคืออะไรนะมีมีผู้ชายคนนึงเนี่ยวันนึงเนี่ยก็เกิดรําคาญเงาของตัวเอง แล้วก็ไม่ชอบรอยเท้าของตัวคอยไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะให้เงามันหายไปคอาไม่รู้จะทำยังไงถึงจะทำให้รอยเท้าหายไปแล้วเขาคิดว่าถ้าเขาวิ่งเงาก็จะตามไม่ทันแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เริ่มที่จะวิ่งตั้งแต่เช้าต่ยิ่งวิ่งเนี่ยเงาก็ยิ่งไล่ตามเข้าไป แล้ยิ่งวิ่งรอยเท้าก็จะตามติดเข้าไปเช่นกันเขาคิดว่าเขายังวิ่งไม่พอยังวิ่งเร็วไม่พอเขาจึงวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่ยิ่งวิ่งเท่าไหร่เงาก็ยิ่งตามเข้าไปรอยเท้าก็ยิ่งตามเข้าไปเช่นเดียวกันเขาวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งทั้งวันตั้งแต่เช้าจนสายจนบ่ายก็ยังหนีเงาและรอยเท้าไม่พ้น แล้วก็จึงวิ่งต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็หมดแรงแล้วเขาก็ลมฟุบเขาไม่สามารถจะวิ่งหนีเงาและหนีรอยเท้าของตัวเองได้ที่จริงการหนีเงาและหนีรอยเท้านี้ไม่ยากเลยเพียงแต่พาตัวมาอยู่ใต้ร่มไม้เท่านั้นแหละเงาก็จะหายไปและรอยเท้าก็จะไม่ปรากฏ แต่ชายคนนั้นไม่รู้ชายคนนั้นคิดว่าต้องวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวสุดท้ายเขาก็หมดแรงล้มฟุบแล้วก็ตายไปคนจำนวนมากเนี่ยไม่ต่างจากชายคนนี้คือพยายามวิ่งหนีความคิดพยายามวิ่งหนีอารมณ์ที่มันมารบกวนจิตใจความคิดที่ฟุ้งซ่านความคิดที่มาหลอกหลอน ความคิดที่มาทิมแทงแล้วเขาคิดว่าถ้าเขาออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์หรือว่าหาเงินหาทองเขาจะดับความคิดดับความหลงหรือว่าดับความทุกข์ได้ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเพียงแต่เราอยู่นิ่งๆตตยร่มไม้เงาก็จะหายรอยเท้าก็จะไม่ปรากฏ เงาที่ใต้ต้มไม้นี่คืออะไรนะต้มไม้ก็เหมือนกับการที่เราอยู่ภายใต้อานุภาพของความรู้สึกตัวถ้าเรามีความรู้สึกตัวเมื่อไรความหลงก็จะหายไปแล้วเมื่อความหลงหายไปความคิดที่มารบกวนใจมันก็จะดับไปหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ไม่สามารถจะรบกวนจิตใจได้ เมื่อคนเรามีความรู้สึกตัวโดยมีสติเป็นตัวกากับสนับสนุนแม้จะมีความคิดเกิดขึ้นนะแต่ความคิดนั้นก็ไม่สามารถจะครอบงากากับจิตใจได้มันคิดก็เพียงแต่รู้ความคิดไม่ใช่ว่าจะไม่มีความคิดเกิดขึ้นในการที่เรามีชีวิตยอยู่อย่างมนุษย์ มันย่อมเป็นธรรมดานะที่จะมีความคิดต่างๆมากมายเกิดขึ้นหลวงปู่ดูลบอกว่าเนี่ยความคิดเนี่ยมันเหมือนกับลมหายใจมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือการรู้ทันความคิดรู้ทันเมื่อจิตปรุงแต่งเรารู้ทันได้เพราะอะไรเรารู้ทันได้เพราะมีสติและเมื่อเรามีความศึกตัว ความหลงคิดหลงอารมณ์ก็จะหายไปหลวงปูด่ดูลซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์อาวุโสของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสอนท่านเตือนเราว่าอย่าไปพยายามดับความคิดเพียงแค่ให้รู้ทันความคิดท่านบอกว่าอย่าฝันทั้งที่ตื่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่าหลงคิดโดยไม่รู้ตัวนะ มันคิดได้แต่ให้รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็จะไม่หลงเข้าไปในความคิดเมื่อไม่หลงเข้าไปในความคิดก็ไม่หลงเข้าไปในอารมณ์เมื่อไม่หลงความคิดไม่หลงไม่หลงเข้าไปในอารมารณ์การที่เราจะอยู่คนเดียวมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ชวนให้ทุกทรมานกับสามารถที่จะมีความสุขได้แต่คนทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากไม่สามารถจะพบความสุข อันเกิดจากความรู้สึกตัวจึงไปแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกลวมทั้งดิ่หลนที่จะททุกอย่างเพื่อจะให้ความคิดที่มันเผลอคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือความริ้สกต่อกาในอนาคตมันมารบกวนจิตใจแต่ว่ายิ่งเราทําเช่นนั้นเนี่ยมันยิ่งไม่ต่างจากคนที่ยิ่งวิ่งหนีเงาก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งล้า ทุกวันนี้เนี่ยคนเรามีความทุกข์และเวลามีความทุกข์เนี่ยเรามักคิดว่าถ้าเรามีสิ่งภายนอกมาครอบครองมันจะดับทุกข์ในใจได้เราคิดว่าเราทุกข์เพราะเรามีไม่พอเราจึงไปพยายามหาสิ่งต่างๆครอบครองสิ่งต่างๆให้มากแต่ไม่ว่าได้มามากเท่าไหร่อาจจะมีความสุขชั่วคราว แต่สุดท้ายก็ทุกข์ใหม่แล้วเราคิดว่าที่เราทุกข์นี่เป็นเพราะยังมีไม่พอมีสิบล้านก็ยังทุกข์อยู่จึงคิดว่าถ้ามีร้อยล้านจะหายทุกข์แต่พอได้ร้อยล้านมาแล้วก็ยังทุกข์อยู่คิดว่าต้องมีพันล้านถึงจะหายทุกข์เขาคิดว่าเขาทุกข์เพราะมีไม่พอแต่ที่จริงเนี่ยทุกข์เพราะสงบไม่พอต่างหาก ไม่ใช่เพราะมีเงินน้อยไปไม่ใช่เพราะมีเงินไม่พอแต่เพราะยังมีความสงบไม่พอถ้าเราก็ถึงความสงบในจิตใจได้แม้มีน้อยก็มีความสุขได้พระอาหารหันต์ไม่ว่าในสมัยพุทธการเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันท่านมีน้อยมากมีแค่บริขาร8เรียกว่าอัฐ บ, บริขารแต่ทุกท่านก็รู้แต่มีความสุข ในสาพัการเนี่ยมีพระรูปหนึ่งนะชื่อพระพัตถิยะท่านเคยเป็นพระราชามีอำนาจเยอะแต่ภายหลังเนี่ยท่านมาบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีแค่บริขาร8ดวันหนึ่งเนี่ยท่านอยู่คนเดียวและท่านก็ลำพึงว่าสุขหนอสุขหนอ พระที่เดินผ่านก็เข้าใจว่าท่านกาลังลำพึงึงความสุขในสมัยที่เป็นพระราชาจึงไปทูลพระพุทธเจ้าให้สร้างเ พ, พื่อเจ้าจึงเรียกพระพัทถยะมาและถามว่าที่ท่านลำพึงเช่นนั้นเพราะอะไรพระพัทถยาตอบว่าจรมึงเช่นนั้นเพราะมีความสุขมันตรงข้ามกับสมัยที่เป็นพระราชามีอำนาจวาสนามี ทรัพยินบริบาณมากมายแต่หาความสุขไม่ได้เลยนะต้องคอยหวาดระแวงกลัวคนจะมาแย่งชิงแล้วก็ยังรู้สึกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่พอได้มาบวชได้มาบำเพ็ญกรรมฐานได้มาเห็นเข้าใจสัจธรรมที่แท้ก็พบความสุขภายในแม้จะมีแค่บริขาร8ก็มีความสุข อันนี้ตรงข้ามคนจำนวนมากนะที่แสวงหาสิ่งต่างๆมามากมายแต่ว่าไม่มีความสุขเลยเมื่อสักหลายปีก่อนมานี้เนี่ยนะมีนักเขียนคนหนึ่งนะเดิมก็เป็นเชฟตอนหลังก็มาเอาดีทางเขียนหนังสือแล้วเขียนหนังสือจนโด่งดังมีชื่อเสียงภายหลัง ก็มาทำรายการโทรทัศน์ตัวเขาเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นพิธีกรพาคนไปเที่ยวชิมอาหารตามที่ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งเมืองไทยเวียดนามกลายเป็นคนที่โด่งดังมีชื่อเสียงมีเงินทองมากมายแต่และ ว, วันนึงเนี่ย ก็พูดกับผู้ชมว่าฉันจะทำอย่างไรดีภากว่าความฝันทั้งหมดของผมเนี่ยเป็นจริงแปลกนะคนเราเนี่ยถ้าว่าความฝันทั้งหลายแหลท่ที่ที่เคยมีนั้เป็นจริงเนี่ยน่าจะมีความสุขได้แต่น้ำเสียงของเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยเพราะมีเงินมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมาย แต่เขาไม่มีความสุขทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็คงเป็นเพราะว่าพอเขาได้ทุกอย่างที่เขาใฝ่ฝันแล้วเนี่ยเขาก็พบว่ามันก็แค่นั้นเองมันก็แค่นั้นเองแล้วก็มีความสุขต่อไปว่าแล้วไงต่อ ในเมื่อคนเราเนี่ยได้บรรลุถึงความไฝ่ฝันทั้งหมดแล้วเนี่ยน่าจะมีความสุขนะแต่ว่าฝรั่งคนนี้ชื่อแอนโทนีโบแดงเนี่ยไม่มีความสุขเพราะเขารู้สึกว่ามันก็เท่านั้นเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ฝันเนี่ยมันได้มาหมดละ กลายเป็นว่าชีวิตเนี่ยไม่มีเป้าหมายเกิดความสึกเควงควางขึ้นมาพอข้างหนรู้สึกว่างเปล่าทาไมถึงรู้สึกว่างเปล่าก็เพราะว่าสิ่งที่ได้มานั้นเนี่ยมันไม่ได้เติมเต็มจิตใจอย่างแท้จริงถ้าว่าคนเราได้สิ่งที่ช่วยเติมเต็มจิตใจอย่างแท้จริงเนี่ยมันย่อมมีความพอใจ ย่อมหยุดแสวงหาเือความสึกพอขึ้นมาและจะไม่ถามว่าฉันจะทำยังไงดีในเมื่อความฝันของฉันเนี่ยได้ประลุทุกอย่างแล้วมีคนจานวนมากนะที่ต้องการอะไรต่อแล้มากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วพรากาไม่มีความสุขอย่างเมื่อห0สิบปีก่อนเนี่ย ประเทศฟิลิปปินส์มีประธานาธิบดีคนหนึ่งนะซึ่งมีอำนาจมากชื่อมาร์คอสเขาบอกว่าเนี่ยเขาเขียนในบันทึกนะว่า mm hmm. ผมเป็นคนที่มีอำนาจมาก ท, าที่สุดในฟิลิปปินส์ mm hmm. ผมมีทุกอย่างที่ชีวิตผมใฝ่ฝันต้องการ mm hmm. ผมมีเงินมีทรัพย์สมบัติมากเท่าที่ชีวิตต้องการ มีภรรยาที่ดีมีลูกที่น่ารักแต่ผมไม่มีความพอใจในชีวิตเลยเกิดอะไรขึ้นนะคนที่มีทุกอย่างแล้วเนี่ยแต่ไม่มีความพอใจในชีวิตความรู้สึกไม่ต่างจากแอนโทนีโบแดงเลยมันมีฝรั่งคนหนึ่งเขาพูดไว้อย่างน่าสนใจนะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. โศกนาฏกรรมของคนเราเนี่ย mm hmm. ก็คือการที่เรา มีทุกอย่างที่ต้องการแล้วมันน่าคิดนะการที่คนเรามีทุกอย่างที่ต้องการมันน่าจะเป็นความโชคดีแต่ทำไมเนี่ยมันกลายเป็นสงนาตรรมเพราะว่าพอมีทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้เพบว่าสิ่งที่มีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆเนี่ยมันจะเคว้งคว้างรู้สึกว่าชีวิตนี้ไร้เป้าหมาย แต่ทุองคนเราเนี่ยนะสามารถเข้าถึงความสุขภายในไม่ต้องมีทรัพย์มากแต่ให้มีความรู้สึกตัวมีสติเท่า น, นี้ก็เพียงพอที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ต้องพั่งพร้อมด้วยวัตถุสิ่งเสพไม่ต้องมีบริษัทบริวารเยอะก็สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขไม่ต้องถึงกับ บรรลุธรรมอย่างพระพัทธยะก็ได้แต่ถ้าว่าเรารู้จักเข้าถึงความสุขภายในเริ่มต้นจากการมีความรู้สึกตัวการรักตัวเองการอยู่กับตัวเองได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากและพออยู่กับตัวเองได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรต่างๆมาปนเปล่าในทางตรงข้ามถ้าไม่พบตัวเองไม่รู้จักความรู้สึกตัวแล้ว แม้จะได้ทุกอย่างที่ต้องการที่ไฝ่ฝันมีชื่อเสียงมีเงินทองมีอำนาจแต่ข้างในกับว่างเปล่าเพ่งฟังทาให้ต้องดิ้นรนแสวงหาแต่ดิ้นรนแสวงหามาเท่าไหร่ก็ไม่พบแอนโทนีโบแดงนี่ตอนหลังนี่ตอนที่เขามีทุกอย่างในชีวิตนะความไฝ่ฝันเขามีครบถ้วน แต่สุดท้ายเขาหมดแรงในการที่จะมีชีวิตและเขาก็จบชีวิตของเขาลงเมื่อห้าปีที่แล้วเป็นสงสาต ก, การรมจริงๆนะของคนที่มีทุกอย่างในชีวิตแต่ขาดความสุขภายในขาดแค่สิ่งเดียวคือความสุขภายในอันเกิดจากการมีสติมีความสึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเนี่ย ถ้งว่าจะปรารถนาสิ่งใดเนี่ยแค่มีความรู้สึกตัวก็เพียงพอแล้วคนโบราณเนี่ยเวลาให้พรลูกหลานเนี่ยเขาจะให้พรว่าลูกหลานให้รู้เนื้อรู้ตัวนะให้รู้เนื้อรู้ตัวนะอวยพรเท่านี้แหละไม่ได้อวยพรว่าขอให้มั่งมีขอให้ร่ำรวยขอให้มีชื่อเสียงพอมีสิ่งนั้นไปแล้วเนี่ย ก็ตัวไม่รอดมาครอสก็จบไม่สวยอนโทนี่โบแดงก็ค่าตัวตาย <Yeah. S 1> แต่ถ้าเรารู้เนอรู้ตัวแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ได้มีความสุขอยู่คนเดียวก็อยู่ได้เพราะว่ามีตัวเองเป็นมิตรไม่รู้จักคำว่าเหงาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าว่าโควิดจะสอนเราสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะ <Yeah. S 2> ก็คือสอนเราให้รู้จักอยู่กับตัวเองให้เป็นพึ่งตัวเองให้ได้ เป็นมิกับตัวเองแล้วเราจะสามารถจะอยู่ได้ยังมีความสุขแม้ว่าจะต้องเจอกับความผลันผวนปรวนไปต่างๆในชีวิตอาจจะไม่ใช่โควิดอาจจะเป็นความเจ็บป่วยตจนกระทั่งต้องนอนติดเตียงแต่ถ้าเราอยู่กับตัวเองได้เราก็อยู่กับความเจ็บป่วยได้ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ประการสุดท้ายเนี่ยบทเรียนของโควิดเนี่ยมันสอนเราว่า ความทุกข์เหตุการณ์เรอไรเนี่ยสุดท้ายมันก็จะผ่านพ้นไปเรามีความทุกข์ในช่วงโควิดอย่างไรเนี่ยตอนนี้มันก็จะเริ่มกลายเป็นอดีตไปแล้วแต่ต่อไปก็จะมีความทุกข์ตัวใหม่เกิดขึ้นเหตุการณ์ร้ายแรงใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ขอให้เราตระหนักว่า ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีอะไรที่จีรังแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะที่ได้มาร่วมการบาเพ็ญบุญในงานกระถินปีนี้ซึ่งสำเร็จได้เนี่ยนอกจากญาติโยมที่มาร่วมบาเพ็ญกุศลในวันนี้ที่นี่แล้วยังมีหลายท่านนะที่ได้บริจาคเงินมาทางไกลรวมทั้ง ถวายปัจจัยต่างๆมากมายและที่สําคัญก็คือเจ้าภาพนะลงทานที่มาให้อาหารกายกับเราซึ่งก็เป็นการเติมอาหารใจให้กับพวกเราด้วยเพราะว่าหลายท่านก็เกิดความทราบซึ้งประทับใจในน้ําใจของเจ้าภาพโรงทานทั้งหลายทั้งหมดนี้ก็รวมกันนะเป็นเป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่นะที่ทําให้การทอดกรถินครั้งนี้เนี่ย ไม่ใช่เป็นการทำบุญธรรมดาแต่ว่าเป็นมหาบุญหมหากุศลดังนั้นเนี่ยในโอกาสนี้จึงขออารัธนาคุณพระสิริธรรมไตรยอานวยเอื้อผลใ ห, ให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวรรณาสุขหาภละเพื่อเป็นพระปัจจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาให้ทุกท่านมีสติรักษาใจมีปัญญานําพาชีวิตให้กล้าคลามผ่านทุกข์ให้มีความสึกตัวช่วยหลอเลี้ยงใจให้เกิด ความสงบร่มเย็นภายในและสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านตัวปราศทังพวงได้ด้วยความสดชื่นแจ่มใสขอให้บุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญจงอำนวยให้ผลให้ทุกท่านได้ก็้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานไปที่หมายด้วยกันทุกคนเทอาน